นักเรียนพนมมืออิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนา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 ในเมื่อพวกเรารับศีลทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีเลี้ยงอาหารนัลูกหลานนะแต่คิดว่าลูกหลานคงจะท้องลองท้องมาพอสมควรลอาหารเที่ยงคงจะเลี้ยงกันที่นี่นะขณะนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกนาทีก็ยังยังยังเวลาอีกยังเยอะอยู่ยังไม่ถึงเที่ยงนะ เมื่อกี้ในลูกหลานได้การาบรารตนาขอสินหลวงพ่อเองจะได้นําลูกหลานนําสมาทานศินก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะขอแนะนําหรือบอกกล่าวเรื่องของศิลและบอกคุณค่าของศินประโยชน์ของศิน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 มะยังวันเตวิสูงวิสูงขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ยังอีกข้อหนึ่งในห้าข้อนั้ น, น, นเมื่อเราขอนะคือเราไม่มั่นใจส่วนมะยังบันเตนติสระเนศสหปัญจะนะข้าพเจ้าขอสาสมาจิฐานสินรวมทั้งห้าข้อทั้งหมดพร้อมกันอันนั้นคือสินินรวมกันอย่างนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านโมเพียงนะโมลูกหลานก็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 สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอะอันนี้สินข้อที่สข้อที่4ี่มุษาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเรา่ะเราก็เสียใจถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจ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 ก็คงจะไม่เห็นสัจจธรรมสัจธรรมแต่ผู้มีบุญบารมีเก่าแก่ที่ได้สั่งสมมาแล้วนั้นก็จะรู้เห็นพระพุทธองค์ออเออใช่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ได้สั่งสมบารมีมา เ, เราก็ได้จึงได้บรรลุได้ตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคนอื่นก็คงจะมีอย่างเรานี่จากนั้นท่านก็มองไปก็เห็น ดาบ ท, ทั้งสองที่ท่านได้ไปศึกษาด้วยดาบดาดาบทุตกะดาบท2หรือสีแต่ท่านก็ตายไปบาดรมารใหม่ๆจากนั้นท่านจึงได้มองไปหาปัญจวัคคีทั้ง5โกนธัญญะว่าปะพัฏธิยะมหานามอัจฉ ช, ชินี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาที่ลูกหลานได้กล่าวว่าพมมาจโลกาเนี่ยความหมายนะ ค, คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีความหมายเกือบทก อย่างอธิบายได้ทุกอย่างนะและก็วันนี้เป็นวันที่10บกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครูบาอาจารย์มีท่านพออ่อเป็นประธานโรงเรียนรายชิโนเทศและก็ครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนทั้งหมดที่ทราบที่ได้รายงานหลวงพ่อมาว่านักเรียนจะประมาณหกร้อยนะขาดก็คงจะไม่ขาดมากเกินก็คงจะไม่เกินมาก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 เเป็นองค์หนึ่งในสี่องคออ์บอกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วปูง่ายๆให้จัดงานศพเราเนอะให้จัดงานศพ เ, เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะนี่แหละหลวงปู่อินเนี่ยได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาเพราะอะไรเพราะหลวงปู่เนี่ยไปอยูนะ่สถานที่ใดมีแต่ความอดทนนะออแล้วก็ประกอบคุณงามความดีตลอดนะ